สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตเพยซูตอนที่551เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูทั้งที่56พี่น้องครับพระเจนาพระเจ้าวันนี้อยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่12ข้อ17นะครับพระธรรมฮีบรูรที่12ข้อ17แล้วอาจาย์จนถึงข้อที่24โปรดฟังพรจนะของพระเจ้าเพราะท่านทั้งหลายรู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดก เขาก็ได้รับคําปฏิเสธเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจสแสวงหาจนน้ําตาไหลทั้งหลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องด้วยมือได้และถึงไฟที่ไม่อยู่และถึงที่มืดถึงที่มืดมิดและถึงที่ลมพายุและถึงเสียงแตรและถึงพระสุรเสียงตรัสซึ่งคนเหล่านั้นที่ได้ยินแล้วได้อ้อนวอนขอไม่ให้ตรัสถึงเขาอีกเพราะว่าข้อความที่ทรงบัญญัติไว้นั้นเขาทนไม่ได้คือที่ว่า แม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั้นก็ต้องถือว่าต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตายสิ่งที่เห็นนั้นน่ากลัวจริงๆจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวจนตัวสัน่นมิใช่เช่นนั้นแต่ท่านทั้งหลายได้มาถึงภูเขาซิโยนและมาถึงนครของพระเจ้าผู้ทรงดำรงพระชนคือเทพนครเยรูเซาเล็มและมาถึงชุมนุมทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะนับได้ และมาถึงที่ชุมนุมอันร่าเริงของบุตรหัวปีผู้มีจารึกไว้อยู่ในสวรรและมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงและมาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรมซึ่งถึงความสมบูรณ์แล้วและมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาใหม่และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันเปี่ยมดุลพคุณไม่เหมือนเสียงโลหิตของอาเบลพี่น้องครับพระเจ้ของพระเจ้าโดยใจความหลักล ในวันนี้ก็คือระวังกลัวว่าจะไม่มีหนทางแก้ไขไีนะครับชีวิตของเราในการดําเนินชีวิตนะครับต้องระวังครับเพราะบาปบางอย่างเราทําแล้วก็ไม่มีหนทางแก้ไขผิดแล้วหวนกลับไม่ได้เมื่อวานนี้ได้พูดถึงเรื่องของอการประมาทใช่ไหมครับแล้วก็การทําผิดประเวณีการทําผิดประเวณีนั้นที่เราบอกว่าพรนอสนะครับพรนอสก็คือ การทำผิดตัวณี้ทุกๆรูปแบบและสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นความประมาทที่ทําให้เราตกเป็นเหยื่อของความพึงพอใจชั่วประเดี๋ยวเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราต้องระวังเกรงว่าจะไม่มีหนทางแก้ไขอีกแล้วพี่น้องครับเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าได้กลับใจสแสวงหาจนน้าตาไหลนี่คือเกิดขึ้นกับเอสาวครับนะครับ เอาวเมื่อถึงเวลาที่จะให้พรบุรหัวปีเอสาวก็ถูกข้ามไปเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาได้สละหรือได้ยกเลิกพูดง่ายๆก็คือว่าขายสิทธิบุรหัวปีนะครับสิทธิบุรหัวปีนั่นก็คือพระพรฝ่ายวิญญาณและคำสัญญาต่างๆที่คุณพ่อจะให้กับลูกเห็นมครับเมื่อเอซาวนะครับเริ่มจริงจัง พ่อผีบอกว่าเขาได้กลับใจแสวงหาจนน้าตาไหลแต่ครับแต่มันก็สายเกินไปแล้วในชีวิตของพวกเราต้องระวังครับสิ่งที่สายเกินไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับเอซาวพยายามแก้ไขสิ่งที่ตนกระทําลงไปแต่เขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยแม้แต่น้ําตาเห็นความเสียใจของเขาในตอนนั้นก็สายเกินไปแล้วบทเรียนสําหรับเรานั้นชัดเจนเหลือเกินครับคนที่ขายสิทธิบุตรปีของตนในพรพ ร, พรฝ่ายวิ ญ, ญญาณและบําเหน็จก็ขายไปแล้วนะครับ เพื่อแลกกับประโยชน์ผลประโยชน์ความพึงพอใจความสนุกชื่อเสียงต่างๆก็ไม่สามารถที่จะดึงกลับมาได้พี่น้องครับเมื่อเผชิญหน้ากับเรื่องสําคัญของชีวิตเช่นความรอดขอเราอย่าเพิกเฉยนะครับเมื่อเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤตของชีวิตเช่นความตายนะครับหรือชีวิตที่ใช้ไปอย่างไร้ค่าเสียเปล่าไม่มีความหมายมันผ่านไปแล้วนะครับโอกาสที่จะกู้กลับคืนมาก็ยาก มันก็สายเกินไปในหลายๆอย่างที่จะทําอะไรกับมันเพราะฉะนั้นคําเตือนสติในข้อสิบห้านะครับเป็นจริงเสมอก็คือว่าต้องระมัดระวังและเฝ้าดูระมัดระวังและเฝ้าดูให้ดีครับเกรงว่าเราจะพลาดท่าเสียทีระหว่างทางและพลาดําเหน็จที่เส้นชายไปชีวิตของเรานะครับมีอยู่ครั้งเดียวครับและก็ไม่มีอีกหลังจากนั้นจะเป็นการที่ภากษาหรือได้รั บ, บําเหน็จเพราะฉะนั้นจงระมัดระวังเฝ้าดูชีวิตของเราระมัดระวัง เฝ้าดูชีวิตของเราครับในข้อ18ถึงข้อ21เราเห็นว่านี่คือทางเก่าทางเก่าที่แตกต่างกันมากระหว่างทางใหม่ก็คือเส้นชัยในพระกัมพีเดิมหลังจากที่เบียสูนะครับความแตกต่างอย่างมากระหว่างเส้นชัยของการแข่งขันสมัยพระกัมพีเดิมกับการแข่งขันในสมัยของพระกมพีใหม่เราเห็นได้นะครับว่าผู้ที่อยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่ได้กําลังวิ่งอยู่ในการแข่งขันเพื่อเข้าเส้นชัยที่ภูเขาซีนายอีกต่อไปแล้ว พราภูเขาซีนนั้นเป็นพันธสัญญาเดิมครับและภูเขาซีนนั้นก็คือภูเขาที่ถูกต้องได้มองเห็นได้แล้วก็มีไฟนะครับมีเสียงแตรนะครับจริงต่างเหล่านั้นครับน่ากลัวจริงๆครับจนโมเสสเองก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวเป็นจนตัวสั่นนี่คือพระสิริของพระเจ้าความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าความบริสุทธิ์ของพระเจ้านะครับในข้อยีิบสองถึงข้อยีิบสี่แทนที่จะเป็นเช่นนั้นพวกเราครับซึ่งอยู่ในพระเยซูกําลังวิ่งเข้าเส้นชัย แห่งภูเขาซีโยนภูเขาซีโยนก็คือภูเขาเดียวกับอับราฮัมที่กําลังจะถวายอิสอักเป็นเครื่องบูชานั่นแหละครับภูเขาซีโยนมาถึงเมืองของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนอยู่คือเยรูเซมแห่งสวรรค์มาถึงที่ที่ชุมนุมชนของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะคนานับแสดงว่าเส้นชัยของเรานั้นไม่ใช่พันธสัญญาเดิมครับไม่ใช่เป็นพันธสัญญาที่ล้าสมัยของภูเขาซีนายพร้อมกับ บ, บทบญญัติของโมเสสแต่ แต่เส้นชัยของเราก็คือภูเขาซีโยนแห่งสวรรค์ครับไม่ใช่ภูเขาซินายเป็นภูเขาซีโยนคือสวรรค์นั่นเองที่เส้นชัยนั่นเองครับเมืองขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ดํารงพชนอยู่เป็นนิดคือเยรูซาเล็มแห่งสวรรค์ก็จะเป็นที่ชุมนุมของทูตสวรรค์มากมายเหลือที่จะขนานับคนเหล่านี้เราอยู่ที่เส้นชัยครับทูตสวรรค์เหล่านี้เราอยู่เส้นชัย และมีคนอีกมากมายเช่นเดียวกันครับที่ได้จารึกมีชื่อจารึกไว้ในสวรรค์พวกเขาก็อยู่ที่เส้นชยัยคอยพวกเราอยู่นะครับกลุ่มคนของพระเยซูมารวมตัวกันในสวรรค์วลีที่พูดถึงขึ้ขจากของพระบุตรหัวปีก็คือว่าคนที่บังเกิดใหม่แล้วเท่านั้นจึงจะได้เป็นส่วนหนึ่งของกายนั้นในสวรรค์พี่น้องครับวลีที่พูดถึงชื่อที่จดไว้บนสวรรค์นั้นก็หมายถึงหนังสือแห่งชีวิตที่พูดถึงในวิวรณ์บทที่ยี่สบครับคามัญยาเกี่ยวกับเส้นชยัยอันยิ่งใหญ่นั้นดําเนินต่อไป ที่เรารอคอยอยู่นั่นคือพระเจ้าจะเป็นผู้ที่พีพ่พากษาครับและมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมมาถึงจิตวิญญาณของคนชอบธรรมก็จะได้รับบำเน็จนะครับจิตวิญญาณของคนชอบธรรมนั้นก็คือโดยความเชื่อถูกทําให้ชอบธรรมโดยความเชื่อและสมบูรณ์ในพระเยซูเพราะฉะนั้นพี่น้องครับชีวิตของเรานั้นครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยพระเยซูครับคนที่บรรลุเป้าหมายนะครับก็คือคนที่ไปถึงเส้นชัยได้ วิ่งแข่งชวนของตัวเองเสร็จแล้วใครรออยู่ที่เส้นชัยครับพี่น้องมีเยอะแยะมากมายครับในข้อยี่สบสามยิบสี่นะครับผมอยากให้พี่น้องฟังนะครับและมาถึงที่ชุมนุมอันร่าเริงของบุตรหัวปีผู้ที่มีชื่อจารึกในสวรรค์แล้วมาถึงพระเจ้าผู้ทรงพิพากษาคนทั้งปวงมาถึงวิญญาณจิตของคนชอบธรรมเช่อถึงความสมบูรณ์แล้วมาถึงพระเยซูผู้กลางแห่งพันธสัญญาและมาถึงพระโลหิตพระพรที่มีเสียงร้องอันเปลี่ยมด้วยพระคุณนะครับนี่คือบรรดา ผู้ที่รอเราอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นทูตสวรรค์ก็ดีไม่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณจิตของผู้ที่ล่วงหลับไปในองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บังเกิดใหม่แล้วรอเราอยู่ครับและพวกเราจะเจอกันด้วยความสุขด้วยความชื่นชมยินดีและด้วยสิ่งต่างเยอะแยะมากมายที่เราจะมีสมคิตทำกันในองค์พระผู้เป็นเจ้าบนสวรรค์พี่น้องครับเราต้องวิ่งแข่งให้เสร็จครับ เพราะว่าพระเจ้าพระเยซูของเราได้ทรงวิ่งแข่งเสร็จแล้วและกำลังรอคอยเราอยู่เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับเราสู้ต่อไปครับสู้ต่อไปจนจบโดยไม่หวั่นไหวพระเยซูทรงเป็นผู้กลางหรือผู้กระทําการแห่งพันธสัญญาใหม่โรงรอคอยอยู่ที่นั่นพร้อมกับพระวิญญาของพระองค์ครับพระวิญญาของพระองค์นั้นได้ถูกประพรมบนพระที่นั่งพระกรุณาในสวรรค์แล้วอันเป็นการลบล้างพระอาญายาของพระเจ้าเห็นไหมครับเราพบกับพระเจ้าเราไม่มีบาปครับเราถูกลบล้าง และพระเยซูได้ลบล้างพระอาญายาก็คือโทษที่จะตกกับเราโรงเอาไปแล้วนะครับเอาไปใส่ไว้ในตัวของโปร่งแทนที่เราทั้งหลายเราไม่ต้องสงสัยนะครับว่าพ่อทุกข์ของพระเยซูนั้นมีเสียงร้องอันประเสริฐนะครับก็คือเสียงของการสรรเสริญเสียงของการขอบคุณพระเจ้าเพราะฉะนั้นผมอยากจะสรุปนะครับว่าเราจะต้องมีชีวิตที่ขอบคุณพระเจ้าสารรเสริญโปร่งอยู่เพื่อรับใช้พระเจ้าอยู่เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าและอยู่เพื่อ ทดแทนพระคุณในการทรงช่วยให้รอดที่พระเยซูได้ทรงกระทําเพื่อเราบนไม้กางเขนและเพื่อที่ชีวิตของเรานั้นจะเป็นผู้ที่วิ่งต่อไปด้วยความสัตย์ซื่อด้วยความเข้มแข็งด้วยความอดทนครับขออธิษฐานเพื่อพี่น้องทุกท่านให้มีความอดทนมีความเข้มแข็งมีความสัตย์ซื่อและทํารับใช้พระเจ้าถาวายชีวิตกับพระองค์ซึ่งเป็นการดีที่สุดที่เราจะพึงกระทําได้ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระองค์และผู้ที่รับพระคุณนั้น อามีน